นี่คือแรงบันราลใจของเราพ p เปรอต้องก็นความสุข คุณภาพความสดสะอาดตามมาตรฐานของ CP CP ทุกขั้นตอนคือคุณภาพเพราะทุกขั้นมีความหมายแม่ไหนก็มั่นใจหมู ส, สด CP มั่นใจค่ะเพราะไม่ใช่สารได้เหนือแดงค่ะเอ า, ามาตากฐานั้งผลิตของ CP คุณแม่ไหน มั่นใจ CP นี่คือแรันราใจของเรา CP เพือ่อทุก ค, ความหวังสูง t h e o y e